ช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาพระจะเยอะในตุกกันที่เยอะเลยเดี๋ยวตอนเข้าพรรษาเหลือน้อยพระต้องอยู่กับที่โยมก็ เ, เยอะทุกวันเนาะหลวงพ่อดูหน้าซ้ำๆเยอะ <laughs> เรียนแล้วเรียนอีกคนใหม่ๆก็มีมาทุกวัน ที่น่าสนใจคือคนที่มาใหมนะ่จำนวนมากเลยที่ภาวนาเป็นมาแล้วแค่ฟังซีดีนะภ mm hmm. าวนาได้พอให้ได้หลักแล้วมันง่ายแต่เดิมเราชอบทะเลาะ ก, กันวนะ่อสายไหนดีกว่าสายไหนหยาบๆเลยว่าสายกายกับสายจิตอะไรดีกว่ากันแา่มาก็แยกวนะ่าสายกายนะรู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องฟังยุบดี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 ถูกเยั่วมาสามวันสามคืนแล้วโอโหโทนไม่ได้ชกไปธีหนึ่งนี่มีอกุศลเหมือนกันนะแต่อกุศลตัวนี้มันถูกยั่วถูกยุมานะมันไม่รุนแรงเท่าไหร่บาปมันรออ่อนกว่านะส่วนกุศลก็เหมือนกันถ้ากุศลที่มันเกิดเองนะเกิดด้วยสันดานนะเกิดด้วยความเคยชินที่เป็นกุศลนะั้นเป็นกุศลที่มีกําลังแรงเช่นเรากล้าเสียสละนะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก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 วัดหลวงพ่อไม่มีแจกซองนะจำไว้นะเพราะฉะนั้นเมาที่นี่ไม่ต้องตกใจพอซองมาเนี่ยเราไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไหไปอย่างเสียไม่ได้เลยได้บุญเล็กๆเพราะฉะนั้นกุศลใดนี่นะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จูงใจโน้มน้าวให้เกิดมีกํำลังกลา้าจิตซึ่งจะใช้ทำมิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นจิตที่มีกุศลกลา้าเพราะฉะนั้นสติต้องเกิดเอง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 เช่น şey เราจะ ร, รู้ลมหายใจเราก็กําหนดจิตเอาไว si. ้กับลมหายใจ sola, ไม่ให้ลืมลมหายใจเลยเราจะดูท้องพองยุบนะเรากําหนดสติกําหนดจิตจาะลงไปที่ท้องไม่ให้ลืมท้องเลยเราจะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติจาะลงไปที่เท้านะไม่ขาดสติเลยเท้ากระดิกคลิ๊กๆๆๆนี่รู้หมดนะจะหยิบขวดน้ําเนี่ยคลิกๆๆเนี่ยเห็นเหมันรูปประตูนะเห็นรูปมันดับป๊อป๊ๆป๊าปไป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 เนะนี่ยเราจะสำคัญมั่นหมายมีเราอยู่คนหนึ่งนั่นเราสำคัญว่าจิตคือตัวเราอันนี้แหละจิตเป็นเราอยูนะ่ยากมากที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าเมื่อใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราวัสสานะนั้นจะได้พระโสดาบันจำไว้นะวิธีที่จะให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะรู้สึกตัวเร่ร<ๆ>่อกันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานะเห็นจิตตสังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลย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 เชิญเตถันข้าวนิมนต์ครับนิมนต์